คราวที่แล้วเราก็ได้ฟังมาถึงตอนที่พระเรวัตะเดินทางมาถึงหมู่บ้านเอาจวนค่าหาที่พักไม่ได้มีคนแนะนําให้ไปพักกับสัญญาสีลทัทธินี้มีความเลื่อมใสในพระพรมพอพระเรวัตะมาขอพักหัวหน้าสํำนักไม่ยอมให้พักเพราะถือว่าเป็นนักบวชต่างลทัทธิกันแต่พอได้สนทนากับพระเรวัตะแล้ว หัวหน้าสัญญาสีชื่อสิยมะพักคนีก็เต็มใจให้พักต่อมาหัวหน้าสัญญาสีเลื่อมใสในพระเรวตัตจึงไปขอสนทนาธรรมด้วยพระเรวัตก็ยินดีจะร่วมสนทนาด้วยเช่นกันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านติดตามได้นื้อบัดนี้ค่ะ ถามปัญหาสําคัญเลยทีเดียวคืออยากจะทราบจุด ป, ประสงค์สูงสุดในพัทธิของท่านคืออะไรอ๋อก็คือการที่อัตมันของแต่ละคนเข้าไปรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอัตมันใหญ่หรือปรมัตตมันแล้วก็เสวยสุขชั่วนิรันดรในปรมัตตมันนั้นวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงปรมัตตมันนั้นมีอะไรบ้าง ข้าพเจ้าถามต่อไปเออท่านสัพณะสักยบุตรวิธีปฏิบัติในลัทธิของเราก็คือพอจะแยกออกได้เป็นสามทางคือทางกายและทางใจการปฏิบัติทางกายก็ประกอบด้วยการอาบน้ำชำระกายอย่างน้อยวันละครั้งคือในตอนเช้าตรู่นี่ก็เป็นกิจซึ่งจะขาดเสียไม่ได้เพราะฉะนั้นอาสมของเราจึงมักจะตั้งอยู่ใกล้ๆ ก, กับแม่น้า ลำธารห้วยหนองคลองบึงเสมอการอาบน้นํานี้มีจุดประสงค์เพื่ออะไรเด้ออ๋อประการแรกก็เพื่อจะชําระกายให้สะอาดประการที่สองก็เพื่อชําระใจให้สะอาดละสิเพราะเมื่อกายสะอาดดีแล้วใจก็ย่อมจะปลอดโปร่งสบายสะอาดไปด้วยนอกจากจะอาบน้ําชําระกายแล้วมีอะไรอีกล่ะ เออหลังจากอาบน้ําแล้วก็จะต้องเอาขี้เท้าทาจนทั่วตัวอา้าวก็เมื่อท่านอาบน้ําชำระกายสะอาดดีแล้วทําไมถึงต้องเอาขี้เท้าทาตัวด้วยเล่าจะไม่เป็นการทําร่างกายให้สกปรกยิ่งไปกว่าเดิมอีกลึกนักพรตจลาหัวเราะเบาๆต่อความไม่เดียงสาของข้าพเจ้าแล้วกล่าวขึ้นว่าเออถ้ามองแต่เพียงผิวเผิน ก็อาจจะเป็นไปอย่างที่ท่านว่าแต่ความจริงนั้นตรงกันข้ามขี้เถ้านั้นเป็นสิ่งสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งกว่าสิ่งใดๆเพราะเป็นสิ่งที่ได้รับการชำระแล้วด้วยพระอัคณีเมื่อเอาขี้เถ้ามาทาตัวก็จะทําให้เกิดความรู้สึกเย็นสบายยิ่งกว่านั้นขี้เถายังจะช่วยรักษาความสะอาดของร่างกายได้ด้วยเช่นช่วยดับกลิ่นเหงื่อใครเลือยุง และตัวแมลงทั้งหลายเกาะจับกายไม่ได้สิ่งใดก็ตามที่ตกลงไปบนกายก็จะพลัดตกลงไปที่พื้นดินหมดนอกจากคุณประโยชน์เหล่านี้แล้วการเอาขี้เถ้าทาตัวยังมีความหมายทางจิตใจด้วยเพราะขี้เถ้าเป็นเครื่องเตือนให้เราทราบว่าแม้ชีวิตร่างกายของเรานี้ในที่สุดก็จะกลายเป็นขี้เถ้าเหมือนกันการเอาขี้เถ้าทาตัวจึงเป็นสิ่ง ที่เป็นเครื่องเตือนให้เราถ่อมตัวอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างต่อเทพเจ้าไม่เกิดความปฏิพัติผูกพันในกายนับว่ามีเหตุผลน่าฟังทีเดียวท่านผู้ทรงพรเข้าพเจจาก่าบเสริมแล้วถามต่อไปอีกว่านอกจากนี้มีการปฏิบัติอย่างไรอีกบ้างอ๋อในด้านการบริโภคอาหารสัญญาสีจะต้องบริโภควันละหนึ่งครั้งเท่านั้น ถ้ามีศรัทธาแก่กล้าก็ควรจะอดอาหารสาวันบ้างเจ็ดวันบ้างถึงเดือนบ้างอาหารที่บริโภคก็ควรเป็นอาหารเลวๆเช่นผักดองข้าวฟ่างลูกเดือยกากข้าวยางสาลายข้าวตังกำยานยญาโคดไมผลไม้เง่าไม้เป็นต้นในการไปพิขาจาร์ก็ควรจะรับพิกษาหารจากเรือนหลังเดียวแม้ได้เพียงคาเดียว ก็ต้องกลับออกมาบริโภคคําเดียวแต่อย่างมากไม่ให้รับภิกษาจากเลือนเกินเจ็ดหลังนอกจากนี้ยังมีข้อห้ามเกี่ยวกับการรับภิกษาอีกมากมายเช่นไม่ให้รับภิกษาจากหญิงมีคันไม่ให้รับภิกษาจากหญิงที่กําลังให้ลูกดูดนมไม่รับภิกษาจากที่ที่มีสุนัขอยู่ด้วยเป็นอาทิแม้ในการบริโภคพัด ก็ต้องยืนบริโภคจะนั่งบริโภคอย่างคนทั่วไปไม่ได้ดูก่อนท่านผู้มีอายุเมื่อได้ฟังระเบียบปฏิบัติ องสัญญาศียมัทคณีสาธิยายให้ฟังข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าสัญญาสีทั้งหลายมีวัดอันเคร่งครัดไม่น้อยทีเดียวเพื่อจะได้ถามเอาความจริงในด้านอื่นๆต่อไปข้าพเจ้าจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านผู้สมรสรู้สึกว่าท่านมีข้อวัดปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสมากทีเดียวนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกบ้าง อ๋อยังมีอีกมากมายท่านสากยบุตรนักปรัชช า, ลากล่าวด้วยน้าเสียงแสดงความพอใจในด้านที่เกี่ยวกับอาหารสัญญาสีจะต้องบริโภคอาหารตามที่กําหนดไว้นี้เท่านั้นจะขบเคี้ยวของอื่นๆที่เคยติดมาก่อนเช่นหมากพลูจะต้องงดหม ด, หมดในด้านที่เกี่ยวกับสตรีเพศสัญญาสีจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับสตรีเพศ อย่างเด็ดขาดโดยที่สุดแม้แต่จะมองดูก็ไม่ได้ทุกๆหนึ่งเดือนสัญญาสีจะต้องโกนผมและหนวดแต่เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการโกนบ่อยๆสัญญาสีส่วนมากจึงใช้วิธีถอนผมและหนวดทิ้งเสียแต่ข้าพเจ้าเคยเห็นสัญญาสีบางพวกไม่โกนผมแต่กล้าวผมเป็นขมวดไว้ข้างบนบ้างฟันเป็นเกลียว ห้อยย้อยลงมาบ้างเออสัญญาสีพวกนั้นไม่ใช่พวกที่มาจากวณรพราหมณ์แต่มาจากวณรอื่นๆเช่นแพทย์สูตรเป็นตน้นแต่ขอวัดปฏิบัติอื่นๆก็เป็นแบบเดียวกันเช่นจะต้องใช้รองเท้าทําด้วยไม้เท่านั้นจะใช้รองเท้าทําด้วยหดังสัตว์ไม่ได้ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนสัญญาสีจะต้องนําบริขารทั้งสามคือไม้เท้าเจ็ดปล้องหม้อน้ำทองเหลือง และหนังเสือไปด้วยในระหว่างเดินทางจะหยุดพักเนสถานที่ที่มีคนอยู่ก็ไม่ได้นอกจากนี้ยังมีข้อปฏิบัติทางกายปรีกย่อยอื่นๆอีกมากมายซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถจะเจริญในาให้หมดสิ้นไปได้เท่าท <ASS Luckily> <inequalities. S 2> ี่ท่านได้บรรยายมา ก็นับว่าเป็นหลักปฏิบัติใหญ่ที่น่าสนใจพอแล้วข้าพเจ้าไม่ต้องการข้อปีิย่อยใดๆแต่อยากจะทราบว่ามีสิ่งใดบ้างหรือไม่ที่ท่านจะต้องเคารพบูชาอ๋อมีสิท่านสมณะสากยบุตรอย่ามาทักขณนีตอบอย่างรวดเร็วในกุฏิที่อยู่ของสัญญาสีจะต้องมีไฟกองหนึ่งรุกพงอยู่ตลอดเวลา สัญญาสีจะต้องบูชาไฟนั้นเป็นประจำโดยการเอาเนยน้ำมันไม้จันท์และของหอมต่างๆใส่เข้าไปในไฟนั้นไฟมีความสำคัญอย่างไรลรึอจึงต้องบำรุงบำเรอด้วยความเอาใจใส่เช่นนั้นข้าพเจ้าถามขึ้นด้วยความสงสัยโอ้สำคัญมากทีเดียวเพราะไฟเป็นพลังงานของจักรวาลเป็นตัวแทนของพระสุริยเทพบนแผ่นดิน เป็นลักษณะสําคัญอันสําคัญของเทพเจ้าผู้ใดได้บํารุงบําเลอไฟก็เท่ากับได้บํารุงบําเลอเทพเจ้าอ๋อเอาละท่านผู้ทรงพศข้าพเจ้าได้ถามท่านถึงข้อปฏิบัติทางกายมาพอสมควรแล้วต่อไปนี้ก็อยากจะถามท่านถึงข้อปฏิบัติทางจิตใจบ้างในด้านจิตใจท่านมีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้าง จิตใจชัญญเสีมุ่งที่จะนําเอาอัตมันของตนเข้ารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวิญญาณสากลแต่การที่จะนำเอาวิญญาณสากล น, นั้นไม่ใช่ทําได้ง่ายๆเพราะว่าวิญญาณของมนุษย์เป็นวิญญาณไม่บริสุทธิ์ถูกหุ้มห่อไว้อย่างหนานแน่นด้วยกิเลสต่างๆฉะนั้นจะต้องอาศัยการปฏิบัติตามหลักของโยคะอย่างเคร่งครัดเป็นเวลานาน บางทีชาตินี้ทั้งชาติก็อาจจะไม่สําเร็จจะต้องปฏิบัติติดต่อกันไปนับร้อยร้อยพันพันชาติเมื่อปฏิบัติติดต่อกันไม่หยุดวิญญาณก็จะผ่านขั้นต่างๆไปถึงสี่ขั้น ค, คือขั้นแรกเรียกว่าสาโลกยะในขั้นนี้วิญญาณของเราจะเข้าสู่ในโลกเดียวกับวิญญาณสากลถ้าปฏิบัติต่อไปอีกก็จะบรรลุ ถ, ถึงขั้นที่สองเรียกว่า สามีปะยะในคันนี้วิญญาณจะเข้าใกล้ชิดกับวิญญาณสากลยิ่งขึ้นเราจะมีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดขึ้นมองเห็นวิญญาณสากลได้ชัดเจนขึ้นเมื่อเราปฏิบัติต่อไปอีกวิญญาณของเราก็จะก้าวเข้าไปสู่ขั้นที่สเรียกว่าสารและปลายะคือรูปลางลักษณะใกล้เคียงกับวิญญาณสากลมีคุณลักษณะบางอย่างของวิญญาณสากล เมื่อปฏิบัติต่อไปอีกวิญญาณก็จะเข้าถึงระยะที่สี่ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายเรียกว่าสายุชละคือบริสุทธิ์สะอาดเต็มที่เข้ารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบวิญญาณสากลไม่มีวันจะแยกออกมาเวียนว่ายตายเกิดเสวยทุกข์อีกต่อไปแต่การที่จะบรรลุ ถ, ถึงขั้นที่สีนี้ก็ไม่ใช่ของง่ายอย่างที่ข้าพเจ้ากล่าวแล้วเพราะวิญญาณของเราไม่บริสุทธิ์ต้องชาระด้วยการปฏิบัติโยคะทั้งหลาย หลายชั้นหลายเชิงถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับทองคําที่เจืออยู่ในโลหะต่างๆถึงห้าชนิดการที่จะแยกเอาทองคําบริสุทธิ์ออกได้นั้นก็จะต้องนําไปหล่อหลอมขับไล่โดหะที่ไม่พึงประสงค์ออกหลายครั้งหลายคราวหรือเปรียบเทียบเหมือนกับการทําเนยใสให้บริสุทธิ์จากนมก็ต้องมีการต้มหุงหลายๆครั้งนั่นแหละข้อปฏิบัติทางจิตใจในรัฐทีของท่านนับว่ามีเหตุผลน่าฟังทีเดียว ท่านบอกว่าการที่จะนําวิญญาณผ่านระยะต่างๆเข้าสู่วิญญาณสากล น, นั้นจะต้องอาศัยการปฏิบัติตามหลักโยคะแต่ท่านยังไม่ได้บอกยังไม่ได้อธิบายข้าพเจ้าฟังเลยว่าการปฏิบัติโยคะนั้นจะต้องทําอย่างไรบ้างโอ้ข้าพเจ้าก็จะอธิบายอยู่แล้วทีเดียวแต่ท่านถามมาก็ดีแล้วโปรดตั้งใจคอยสดับเกิดโยคะมีหลายประเภทเรียกชื่อต่างๆกัน แต่โยคะมีอำนาจในการกำจัดบาปอากุศลได้อย่างชังัดเรียกชื่อว่าอัตโยคะหรือโยคะแปดประการบาปใดๆก็ตามที่บุคคลกระทำแล้วแม้จะเป็นบาปที่ร้ายแรงเช่นการฆ่าพรามลึกโคการขโมยเงินทองการดื่มน้ำเมาการล่วงละเมิดในภรรยาของครู การ่าบุตรในคันการหลอกลวงพรามณหรือทาลายคำมั่นสัญญาที่ตนได้ให้ไว้กับพราหมณ์เป็นต้นสามารถจะล้างออกได้ด้วยการปฏิบัติอัตโยคะผู้ที่จะปฏิบัติอัตโยคะก็จะต้องอดอาหารติดต่อกันเป็นเวลาถึงสามวันแล้วก็ไปยังเทวไรยหรือป่าช้าหรือใต้ต้นพิลวาเมื่อเลือกที่อันเหมาะสมได้แล้วก็จะต้องล้างบาปด้วยน้ำตามพิธีเสียก่อน แล้วจึงเอาสีเขียวจุดที่เรียกว่าติลกะบนนาผากต่อจากนั้นก็ให้เอาศีรษะตั้งบนพื้นดินชี้เท้าทั้งสองขึ้นไปบนอากาศขณะที่อยู่ในท่านี้ก็ต้องกระทําปล่านนยยมะคือการเอามือปิดลูจมูกข้างหนึ่งไว้หายใจเข้าทางรูจมูกที่เปิดอยู่เสร็จแล้วก็เอามือปิดจมูกด้านนั้นเสียแล้วหายใจออกแรง ข่งรูจมูกอีกครั้งหนึ่งเออทําอย่างนี้สลับกันไปหกครั้งขณะที่หายใจออกก็ต้องสวดคาถาว่าประสาทเอ๋ยท่านผู้เป็นเทพธิดาตัวบาปอาศัยอยู่ที่ท่านข้าพเจ้ากําลังจะชําระตัวบาปออกจากท่านท่านจงออกมานาะบดี้ตัวบาป ด, ดังกล่าวนี้อาศัยอยู่ในประสาทซึ่งอยู่ภายในกระโหลกศีรษะด้านซ้ายมันจะถูกขับออก โดยวิธีปราณยมะดังกล่าวแล้วเมื่อเมื่อมันออกมาแล้วจะต้องเอาล้างในน้ำอุ่นแล้วการบูชาหลังจากนั้นจะต้องนำปราสาทที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วกลับคืนสู่ที่เดิมโดยการหายใจเข้ายาวๆทั้งรลจมูกด้านขวาพร้อมกับสวดคาถาว่าข้าแต่เทพธิดาผู้ทรงศักดิ์บัดนี้ท่านบริสุทธิ์จากบาปแล้วท่านเป็นมารดาของโลกข้าพระเจ้า ได้กระทําการบูชาแก่ท่านแล้วขอเชิญท่านกลับคืนสู่อยู่ที่เดิมของท่านเถิดน่าสนใจมากท่านผู้สมงระรดน่าสนใจมากข้าพเจ้าเพิ่งได้ทราบเรื่องราวของโยคะจากท่านเป็นครั้งแรกในชีวิตมีโยคะอะไรอีกบ้างขอเชิญท่านบรรยายให้ข้าพเจ้าฟังด้วยโอ้ยังมีอีกมากทีเดียวสัญญาสีชรา พูดด้วยท่าทางแสดงความภาคภูมิใจอ๋อแตโยคะอีกประการหนึ่งที่ข้าพเจ้าใครจะพูดถึงก็คือสันติโยคะในการปฏิบัติสันติโยคะสัญญาสีจะต้องท่องคาถาว่าข้าพเจ้าเองเป็นเทพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะทําการบูชาณปัตยนี้หลังจากนั้นจะต้องพยายามน้อมนึกเอาวิญญาณส่วนตัวของเราซึ่งสถิตยอยู่บริเวณสะดือ ให้ไปรวมกับวิญญาณสากลซึ่งสถิตยอยู่ตรงหน้าอกในอันดับต่อไปต้องนึกให้ท่าอันเป็นส่วนประกอบของร่างกายมารวมกันเช่นเอาถาดดินไปรวมกับถาดน้ําเอาถาดน้ําไปรวมกับถาดไฟเอาถาดไฟไปรวมกับถาดลมเออหลังจากนั้นก็เอาหัวแม่มือกดปิดรูจมูกด้านขวาให้ใจเข้าออกแรงๆด้วยรูจมูกซ้ายพร้อมกับท่องคาถา อันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ว่าโชนสิบหกครั้งด้วยวิธีนี้เองสรีระร่างกายซึ่งมีอันจะต้องตายเป็นธรรมดาก็จะเหือดแห้งเออต่อจากนั้นก็ใช้หัวแม่มือและนิ้วจีปิดปรูจมูกทั้งสองข้างกลั่นลมหายใจไว้คิดถึงไปว่าเออและคิดบริกรรมว่าโลนหกครั้งนี่ก็เป็นพิธี เผาเสรีระร่างกายให้ไหมเป็นจุนมิจุนไปต่อจากนั้นก็เปิดรูจมูกด้านขวาให้ใจออกอย่างแรงบริกรรมคําว่าโลมสาสองครั้งเพื่อเป่าเอาเท่าฐานของศรีรษะซึ่งเผาไหมแล้วให้กระจัดกระจายไปในขณะเดียวกันนั้นก็พยายามคิดเอาประสาทและอายตนะใหม่ๆเข้ามาไว้ในตนเพื่อให้ลางใหม่ที่สมบูรณ์ ขัดจากนั้นก็ให้บริกรรมคําว่าโอ้พร้อมกับน้อมนึกเอาน้ํำอมฤตจากดวงจันทร์ให้หลั่งลงมาแผ่ซ่าน อ, อิบอาบตัวกายอันดับต่อไปก็ให้บริกรรมคําว่าโชนพร้อมทางน้อมนึกให้ถาทาั้งซีเข้ามาสู่ที่ต่างๆตามส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามเดิมในเวาลาสุดท้ายก็บริกรรมคาถาว่า ข้าพเจ้าเองเป็นเทพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะต้องทำการบูชาณบัตนินีกล่าวซ้ำอีกแล้วก็น้อมนึกเอาวิญญาณของตนที่เข้าร่วมกับวิญญาณสากล น, นั้นกลับลงมาไว้ที่บริเวณสะดือตามที่เคยเสร็จแล้วก็ท่องคาถาว่าขอนอบน้อมแด่องค์มุนีนาระทะและน้อมนึกว่าเวลานั้นมุนีนาระ t h ได้สถิต อยู่บนศีรษะของตนแล้วต่อจากนั้นก็เอามือวางบนหม้อน้ําที่อยู่ใกลๆตัวแล้วก็สวดขยาตรีมนเอามือทาบหน้าอกแล้วก็สวดออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัวในหลักอักครวิธีก็เป็นการให้พรแก่ชีวิตร่างกายใหม่ที่ได้รับมาอย่างนี้แหละท่านสหกยบุตรนี่ก็เรียกว่าสันติโยคะเหมืเฉพาะสัญญาศีเท่านั้น ที่ประกอบโยคะนี้แม่พราหมณ์ที่ยังเป็นคฤืหัดก็จะต้องประกอบเป็นประจำด้วยท่านผู้ทรงพระโยคะแบบต่างๆที่ท่านบรรยายมานั้นคงจะเป็นการบรรยายตามหลัก ข้าพเจ้าอยากจะทราบถึงการประพฤติปฏิบัติของท่านเองว่าท่านได้ปฏิบัติโยคะต่างๆเหล่านั้นมาแล้วมากน้อยเพียงใดเออท่านสากยาบุตรตลอดเวลาอันยาวนานที่ข้าพเจ้าอยู่ในเพศสัญญาสีมานั้นข้าพเจ้าก็ได้ปฏิบัติโยคะมาแล้วทุกชนิดแม้แต่โยคะที่ทําได้ยากกว่าอัตโยคะและสันติโยคะข้าพเจ้าก็เคยปฏิบัติมาแล้วเท่านั้นแหละ โยคะที่ยิ่งกว่าโยคะทั้งสองแบบนั้นยังมีอีกหรือท่านสัญญาสีเออยังมีอีกสิตัวอย่างเช่นในขิมหันตรดูเมื่อพระอาทิตย์มีรัศมีอันร้อนแรงที่สุดข้าพเจ้าเคยก่อกองไฟไว้ให้รอบๆตัวเองแล้วก็ยืนตากแดดตากไฟด้วยตัวอันเปล่าเปลือยอยู่ตลอดวันในเฮมันตฤดูเมื่ออากาศหนาวเย็นดุดหิมะ ข้าพเจ้าก็เคยแช่อยู่ในน้ำอับอาผ้าชุบน้ําปกศีษะอยู่อย่างนั้นตลอดวันตลอดคืนบางครั้งข้าพเจ้าก็เคยยืนขาเดียวอยู่เป็นเวลาหลายๆวันจนกระทั่งขาบวมเป่งผิวหนังแตกปริเจ็บระบมไปทั่วบางครั้งข้าพเจ้าก็เคยกลั้นลมหายใจไว้จนกระทั่งนามือตาลายหูอื้อเป็นลมสลบไปข้าพเจ้าเคยยืนจ้องพระอาทิตย์ ไม่ยอมหลับตาเลยตลอดวันจนกระทั่งตาบอดไปข้างหนึ่งอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี่แหละข้าพเจ้าเคยปิดทวารทั้งหกเพื่อมีให้ปลานทั้งห้าออกจากร่างกายได้จนกระทั่งสลบไปเช่นเดียวกันเออเหล่านี้คือโยคะและหัาปะซึ่งข้าพเจ้าได้เคยปฏิบัติมาแล้ว ถ้าแต่ท่านผู้สรงพศเขาพระเจ้ากล่าวขึ้นหลังจากฟังสัญญาสียมทัคคณีบรรยายข้อวัดปฏิบัติของสัญญาสีจบลงแล้วการที่เขาพระเจ้าได้ฟังท่านบรรยายมาตั้งแต่ต้นก็รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างก็คล้ายคลึงกับลัทธิของเราแต่บางอย่างก็แตกต่างกันไปมากทีเดียวถ้าท่านไม่รังเกียจที่จะฟังลัทธิของเราเขาพระเจ้าก็พร้อมที่จะเล่าให้ฟัง อ๋อไม่ลังเกียดเลยท่านสักยบุตรนักพจชลายืนยันอย่างหนักแน่นก็เพราะว่าอยากจะฟังลัทธิของท่านนั่นเองข้าพเจ้าจึงอุตส่าห์ติดตามมาสนทนากับท่านถึงที่นี่ขอเชิญท่านเล่าไปเถิดก่อนอื่นข้าพเจ้าจะต้องขอออกตัวสิกก่อนว่าข้าพเจ้าเองยังมีความรู้ในพระธรรมวินัยของพระบรมศาสดาน้อย คงจะไม่สามารถบรรยายให้ท่านฟังอย่างละเอียดได้ข้าพเจ้าเองก็ไม่สันทัดในการบรรยายเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านประสงค์อยากจะรู้อะไรก็ถามมาข้าพเจ้าจะได้วิสัชนาเป็นข้อๆไปอ๋อก็ดีเหมือนกันเดีย๋ยวมาทัทคณีรับรองข้าพเจ้าขอถามปัญหาแรกทีเดียวจุดมุ่งหมายสูงสุดในลัทธิของท่านคืออะไรเลือก จุดมุ่งหมายสูงสุดในพระธรรมวินัยของพระบรมศาสดาก็คือความดับทุกข์พร้อมด้วยเหตุของความทุกข์โดยไม่มีส่วนเหลื อ, เ, อ, อเท่านั้นเองเหรือหรือมีอะไรอื่นอีกอยามาทัคทนีถามด้วยท่าทางสงสัย mm hmm. ก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรอีกข้าพระเจ้ายืนยันอ๋ความดับทุกข์หนักปชลาทวนคํา ด้วยเสียงต่ําก้มหน้าเป็นเชิงคิดนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ถามขึ้นว่าแล้วท่านมีวิธีดับทุกเบียงไรบ้างล่ะก่อนจะรู้วิธีดับทุกท่านจะต้องรู้จักต้นเหตุให้เกิดทุกซิก่อนเพราะการดับทุกนั้นไม่ใช่ดับที่ตัวทุกข์แต่ดับที่ต้นเหตุของทุก์เมื่อดับเหตุได้แล้วตัวทุกข์ก็จะดับไปเองเหตุของความทุกข์มีอยู่สองอย่างคือ ตัวที่เป็นต้นเหตุจริงๆเรียกว่าอาวิชชาความไม่รู้ความโง่เพราะไม่รู้ความจริงจึงเกิดมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดไปจากความเป็นจริงเพราะเห็นผิดจึงเกิดโมหะความหลงเพราะหลงจึงเกิดความอยากคือตัณหาเพราะความอยากจึงเกิดการดิ้นรนทั้งในทางกุศลและในทางอากุศลเพราะความดิ้นรนจึงเกิดการยึดถือ เพราะมีการยึดถือทุกทั้งหลายจึงเกิดขึ้นนี่แหละคือสายของความทุกข์ที่พระบรมศาสดาทรงแสดงไว้<ม>นักพลศรานั่งก้มหน้านิ่งอยู่ครู่ใหญ่แล้วกล่าวทบทวนความจำของตนเองเบาๆว่าเพราะไม่รู้จึงเห็นผิดเพราะเห็นผิดจึงหลงเพราะหลงจึงอยาก เพราะอยากจึงดิ้นรนเพราะดิ้นรนจึงยึดเพราะยึดจึงเกิดทุกข์อืมเป็นวิธีที่มีเหตุผลมากทีเดียวท่านสมณนะแต่รู้สึกว่าลึกซึ้งอยากที่จะเข้าใจได้โดยง่ายข้าพเจ้าอยากจะขอถามต่อไปอีกว่าที่ว่าไม่รู้นั้นคือยอย่างไรเลืไม่รู้อะไรล่ะก็ไม่รู้ความจริงล่ะสิท่านผู้สมปรศไม่รู้ความจริงของตนเอง ไม่รู้ความจริงของคนอื่นสัตว์อื่นไม่รู้ความจริงของโรคเมื่อไม่รู้ความจริงก็เข้าใจผิดเห็นผิดและหลงเข้าใจว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขามีสัตว์มีบุคคลมีทซั์มียศมีเกียรติมีสวยมีงามเมื่อหลงว่าสิ่งเหล่านี้มีก็เกิดความอยากอยากเกิดอยากเป็นอยากมีอยากได้เมื่อเกิดความอยากก็สร้างขึ้นทําขึ้น แสวงหาต่อสู้ดิ้นรนทุกวิถีทางทั้งทางดีทางชั่วเมื่อได้มีได้เป็นแล้วก็ยึดไว้เมื่อยึดไว้ไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ท่านผู้ทรงโยคะข้าพเจ้าจะเปรียบเทียบให้ท่านฟังดังนี้บุรุษคนหนึ่งเดินทางเข้าไปในป่าซึ่งมีนางยักษศ์ศรีอาศัยอยู่เมื่อนางยักษศ์ศรีเห็นบุรุษนั้นเข้าก็เกิดความกระหาย อยากจะจับกินเป็นอาหารแต่คันจะจับกินเลยเสียทีเดียวก็เกรงว่าจะไม่ดีจึงแปลงเป็นหญิงสาวรูปร่างสวยโสภายื่นอยู่ริมทางแสดงอาการยั่วยวนชวนให้บุรุษนั้นเข้ามาหาตนฝ่ายบุรุษนั้นเพราะความไม่รู้ว่าสตรีคนนั้นคือนางยักษิซีนีจึงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหญิงสาวธรรมดาแล้วก็เกิดความหลงไหลอยากได้หญิงสาวคนนั้นเป็นกาลัง เพราะความอยากนั่นแหละเขาจึงเดินตรงเข้าไปหาเธอฝ่ายหญิงปลอมก็เดินหนีไปบุรหลุษคนนั้นก็เดินตามไปเดินบ้างวิ่งบ้างจนในที่สุดก็มาถึงปราสาทหลังหนึ่งเขาได้ตามสตรีนั้นเข้าไปในปราสาทและก็ได้ร่วมอยู่กับหญิงสาวในปราสาทนั้นเขาเกิดความยึดถือว่าหญิงสาวนั้นเป็นภรรยาของเขาปราสาทนั้นเป็นบ้านของเขา แต่แล้ววันหนึ่งหญิงคนนั้นก็ได้กลับเพศเป็นนางยักษิมีตามเดิมจับชายคนนั้นกินเป็นอาหารก่อนจะตายบุตรคนนั้นก็ได้อุทานออกมาว่าเพราะเราไม่รู้ความจริงหนอะจึงได้หลงรักนางยักษิมีอยากได้นางเป็นภรรยาวิ่งตามนางมาจนได้อยู่ด้วยกันและวก็ลงยึดเป็นภรรยาของตนจึงต้องประสบความพีนาดังนี้ ผู้บำเพ็ญโยคะบุหลุดลงรักนางยักษินีประสบเคราะห์กรรมอันน่าสมเพชเช่นใดมนุษย์ในโลกนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันเพราะอาวิชชามนุษย์จึงเข้าใจผิดว่าชีวิตนี้แสนจะหวานจึงเกิดความอภิรมในกามคุณห้าสแสวงหาและหลงยึดในกามคุณห้าแต่ในวาระสุดท้ายก็ต้องประสบกับการเวียนว่ายตายเกิดอันไม่รู้จักสิ้นสุด ในวัตสงสารนี่คือตัวทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์หวังว่าท่านคงพอจะเข้าใจโอ้อุปมาของท่านทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นมากทีเดียวท่านสมณะถ้าอย่างนั้นตัวเราก็ดีคนอื่นก็ดีสิ่งต่างๆที่เราพบเห็นอยู่ก็ดีก็ไม่ใช่ของจริงนะสิเป็นความจริงเหมือนกันท่านสัญญาสีแต่เป็นความจริงชั่วคราว เป็นความจริงชั้นนอกเป็นความจริงตามที่โลกสมมติกันแต่ไม่ใช่ความจริงแท้เป็นความจริงที่พระบรมศาสดาของข้าพเจ้าทรงเรียกว่าสมมติสัจจะเปรียบเหมือนนางยักษีที่อยู่ในรูปของหญิงสาวความจริงหญิงสาวนั้นก็เป็นความจริงเหมือนกันแต่เป็นความจริงชั้นนอกเป็นความจริงชั่วคราวความจริงแท้ก็คือยักษี อ๋อเอาละท่านสมณะเรื่องนางยักษินีข้าพเจ้าพอจะเข้าใจแล้วแต่เรื่องคนธรรมดาธรรมดานี่ข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจก็เมื่อสัตว์บุคคลที่เป็นเราเป็นเขาดังที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ความจริงแท้แล้วความจริงแท้ของบุคคลคืออะไรเล่าความจริงแท้ของบุคคลก็คือสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งเกิดมีขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสิ้นไป ตามเหตุปัจจัยไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีของเราไม่มีของเขาสิ่งทั้งหลายรวมทั้งตัวท่านและตัวข้าพเจ้าเป็นเพียงสภาวะธรรมที่ดำเนินไปตามกฎเกณฑ์ของมันเองกล่าวคือเกิดขึ้นเสื่อมลงแล้วก็ดับไปตามหน้าที่ของมันไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้เลยนี่คือความจริงแท้ที่เรียกว่าปรามาทสัจจ์ซึ่งอยู่เบื้องหลังเราเขา ที่เราหลงยึดถืออยู่นี่เองเยมทัคคณียังคงงงงวยก็อถ า, าธิบายของข้าพเจ้าอยู่มากท่านก้มหน้าคิดเอียงศีรษะไปทางนั้นทีทางนี้ทีเป็นเชิงไตรย์ตองอยู่เป็นเวลานานทีเดียวในที่สุดจึงได้กล่าวออกมาพร้อมกับถอนหายใจอย่างหนักหน่วงเออเป็นเรื่องลึกซึ้งมากท่านสากยบุตรข้าพเจ้าขอสารภาพตามตรงว่าข้าพเจ้า ยังไม่สามารถจะเห็นตามท่านได้แน่นอนทีเดียวท่านผู้สรงพศความจริงแท้ย่อมเป็นสิ่งเข้าใจยากเห็นได้ยากเสมอเพราะเราคิดไม่ถึงและไม่เคยคิดมาก่อนคนธรรมดาทั่วไปย่อมจะเข้าใจและเห็นได้เฉพาะความจริงชั้นนอกเท่านั้นเปรียบเสมือนบุรุษที่กำลังหลงไหลในหญิงสาวร่างโสภาคนนั้นถ้าจะมีใครมาบอกว่า นั่นไม่ใช่หญิงสาวนะให้ระวังตัวแต่เป็นนางยักษินีเขาย่อมจะไม่เชื่อเป็นธรรมดาเพราะภาพที่เขาเห็นอยู่เฉพาะหน้านั้นเป็นหญิงสาวอย่างชัดเจนฉะนั้นการที่จะเห็นปรมัตสัจจะิงเป็นการฝืนกระแสโลกเป็นการปฏิวัติทางความคิดความเชื่อความเห็นซึ่งทำได้ยากแม้ในธรรมวินัยของพระบรมศาสดา ผู้ที่ฟังธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาจบแล้วเห็นตามได้ทันทีย่อมเป็นผู้มีปัญญาบารมีอันแก่กล้าที่ได้รับอบรมมาเต็มที่แล้วเปรียบเหมือนหัวฝีที่แก่รอบแล้วพอมีอะไรมาสะ ก, กิดนิดหน่อยก็แตกออกทันทีและผู้จะเห็นปรมาทัสัจจะได้แจ้งแจ้งก็แสดงได้ว่าบรรลุมรรคผลในชั้นต้นเป็นพระโสดาบันทีเดียว ออท่านสมณะข้าพเจ้าอยากคุยสนทนากับท่านอีก น, น, นานๆแต่รู้สึกว่าเวลานี้ดึกมากแล้วบางทีท่านอาจจะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางและต้องการพักผ่อนข้าพเจ้าจึงใคร่จะขอถามปัญหาสุดท้ายคือเออเมื่อทราบว่าเหตุของทุกข์คือความไม่รู้ความเห็นผิดความหลงความอยากการสร้างสรรค์และความยึดถือดังกล่าวแล้วจะบำเพ็ญโยคะอะไร จึงจะสามารถกำจัดเหตุของทุกเหล่านี้ได้เลาววิธีการปฏิบัติในรัติของข้าพเจ้าเท่าที่พระบรมศาสดาทรงแสดงไว้มีมากแต่ถ้ากล่าวโดยย่นย่อก็มีหลักสำคัญเพียงสามประการคืออธิเสีมสิกขาการศึกษาปฏิบัติตามสิกขาบทวินัยที่พระบรมศาสดาทรงบัญญัติไว้จุดมุ่งหมายสาคัญก็คือ เพื่อเว้นจากความชั่วทางกายทางวาจานั่นเองประการที่สองเรียกว่าอธิจิตสิกขาได้แก่การฝึกฝนอบรมจิตจนจิตใจสะอาดปราศจากนิวรณ์เครื่องเศร้าหมองตั้งมั่นเป็นสมาธิควรแก่การงานเปรียบเหมือนมาพยศที่เขาฝึกดีแล้วประการที่สามเรียกว่าอธิปัญญาสิกขาคือการอบรมปัญญา หรือแสงสว่างภายในให้เกิดขึ้นในใจแล้วน้อมนําเอาแสงสว่างนั้นไปพิจารณาสภาพของสิ่งต่างๆจนรู้ปรมัาทาัศ จ, จ์สิ่งนั้นเมื่อนั้นแหละอวิชชาจะถูกปัญญากําจัดให้หมดสิ้นไปเมื่ออวิชชาหมดไปวิชาคือความรู้ก็จะเข้ามาแทนเมื่อความรู้จริงแล้วก็เกิดความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเมื่อเข้าใจถูก ก็ไม่หลงเมื่อไม่หลงก็ไม่อยากเมื่อไม่อยากก็ไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางในสิ่งทั้งปวงเป็นอิสระเสรีมีแต่ความสงบสุขทุกเมื่ออ๋อท่านสมณะเท่าที่ข้าพเจ้าได้ฟังมารู้สึกว่าการปฏิบัติแบบท่านไม่มีโยคะอันยิ่งยวดที่เป็นการทรมานทางร่างกายของลัทธิเราเลย อ๋อไม่มีหลอกท่านผู้ทรงทศอันการบำเพ็ญตะบะหรือโยคะทรมานร่างกายนั้นพระบรมศาสดาของเราเคยทรงปรฏิยัติมาแล้วก่อนตัดสู้แต่แล้วก็ไม่มีผลอะไรเป็นการทรมานตนให้ลําบากเปล่าๆสังขารร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ตามปกตปิมันก็เจ็บปวดอยู่แล้วจะไปทําให้มันเจ็บปวดยิ่งขึ้นเพื่ออะไร ร่างกายเป็นตัวผลซึ่งเกิดมาจากเหตุมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยถึงเราจะทรมานมันให้ลำบากเพียงใดก็หาสามารถดับทุกข์ได้ไหมถ้าจะทรมานต้องทรมานอาวิชาตัณหาอุปาทานซึ่งเป็นต้นเหตุจึงจะถูกเปรียบเหมือนเจ้าของวัวเห็นวัวผอมไปเพราะมีพยาธิอยู่ในท้องเขาต้องการให้พยาธิหายแล้วไปเขียนตีวัว ย่อมไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่วัวจะตายเปล่าเท่านั้นเองโอ้ท่านสมณะข้าพเจ้าดีเรียนรู้เกี่ยวกับลัทธิของท่านมากพอดูทีเดียวรู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างที่จับใจข้าพเจ้ามากแม้จะยังไม่เข้าใจแจม่มแจ้งข้าพเจ้าก็จะนําไปไตรตรองดูให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งถ้ามีข้อใดที่ยังสงสัยพรุ่งนี้เช้าก่อนท่านจะจากไปข้าพเจ้า ใครจะขอถามเพิ่มเติมอีกอสำหรับคืนนี้ข้าพเจ้าขอลากลับก่อนเชิญท่านพักผ่อนตามสบายเถิดว่าแล้วสัญญาสีจะมาทักขณีก็รู้ขึ้นหยิบเอาไม้เท้ามาตือไว้ในมือขวาหยิบเอาแผ่นหนังเสือพับหนีบไว้ใต้แขนซ้ายแล้วก็เดินออกจากกระท่อมหายไปในความมืด ูมีอายุหลังจากสัญญาสีเยมธาธกณีจากไปแล้วข้าพเจ้าก็เตรียมตัวที่จะพักผรนหลับนอนเพราะรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อราจากการเดินทางเป็นกำลังข้าพเจ้าปูผ้าอาบน้ำฝนลงบนพื้นกระท่อมเอาห่อผ้าทำเป็นหมอนคลี่สังคติออกมากลุมกายนั่งเหยียดขาทั้งสองออกไปข้างหน้าแล้วก็ใช้มือทั้งสองนวดเฟ้นขาทั้งสอง แก้อาการเมื่อยขบแสงประทีทเหนืเนยใสยังคงส่องสว่างวับแวมอยู่ใกล้ๆฟ้าผนังอันกรุขะที่ทำด้วยดินเหนียวผสมฟางฉาบด้วยบูลโครบรรยากาศทั่วไปเงียบสงัดวังเวงนานๆจะได้ยินเสียงสายลมยามดึกพัดต้องใบมะม่วงดังซู่ซ่าอยู่ข้างบนในยามเช่นนี้ข้าพเจ้าอดจะหวนคิดถึงความหลังเสียไม่ได้ แต่การคิดถึงความหลังไม่มีอะไรจะทำให้ใจสบายขึ้นตรงกันข้ามกับทำให้จิตใจเศร้าหมองลงไปอีกข้าพเจ้าจึงพยายามระ ง, งับจิตใจโดยคิดถึงอารมณ์อื่นเช่นหยิบยกเอาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาไต่ตรองเป็นต้นขณะที่ข้าพเจ้ากำลังคิดถึงธรรมะพลางนวดเฟ้นขาตาจับจ้องอยู่ที่เปลวไฟอันลิบลีของดวงประทีป ท, ที่วางอยู่บนพื้นนั่นเอง ปรากฏว่ามีงูใหญ่ตัวหนึ่งหล่นโครมลงมาจากหลังคากระท่อมกองอยู่บนพื้นใกล้ๆปลายเท้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเกิดความตื่นตกใจจนตัวแข็งทื่ออยู่ครู่หนึ่งเมื่อได้สติก็ชักเท้าทั้งสองเข้าหาตัวแล้วก็คิดแผนการว่าจะทำอย่างไรดีใจหนึ่งอยากจะวิ่งออกไปจากกระท่อมทันทีแต่ข้าพเจ้าก็สามารถสะกดใจไว ไม่ยอมวิ่งหนีงูใหญ่ตัวนั้นนอนเป็นขนดอยู่บนพื้นชูหัวขึ้นข้างบนแผ่แม่เบีย้ยมองมาทางข้าพเจ้าแลบลิ้นแปร บ, บ, บ, บ, บออกมาข้าพเจ้าเองก็จ้องมองดูมันอย่างไม่กระพริบตาเหมือนกันในที่สุดข้าพเจ้าก็ระลึกขึ้นมาได้ว่าพระบรมศาสดาทรงแนะนำให้ภิกษุป้องกันงูโดยให้แผ่เมตตาแก่ตระกูลงูทั้งสี่คือวิรูปกะ เอราประทะฉับพาปุตะกันหาโคตม ก, กะข้าพเจ้าจึงพูดขึ้นเบาๆ ว, ว่าข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาปรารถนาดีแก่ตระกูลงูทั้งสี่ข้าพเจ้ามาที่นี่ก็ด้วยเจตนาที่ดีไม่ได้มาเพื่อมุ่งร้ายต่อใครแม้แต่น้อยหากท่านไม่มีเวรอันได้ผูกพันไว้กับข้าพเจ้าในบุรพาชาติก็ขอจงหลีกไปเสียตามทางของท่าน แต่ข้าพเจ้าถึงคราวที่จะต้องใช้กำเก่าให้หมดสิ้นไปในบัดนี้ก็จงทำร้ายข้าพเจ้าเสียเถิดท่านผู้มีอายุพอข้าพเจ้าพูดขาดคำเท่านั้นงูใหญ่ตัวนั้นก็คลายกรหนดออกแล้วก็เลื้อยออกไปจากกระท่อมอย่างเชื่องช้าเมื่อมันไปพ้นสายตาข้าพเจ้าก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกแล้วก็เตรียมตัวล้มตัวลงจะนอนแต่พอศีรษะถึงห่อผ้า ก็ระลึกขึ้นมาได้ว่ายัางไม่ได้ดับไฟจึงลุกขึ้นนั่งเตรียมจะดับไฟแต่ทันใดนั้นข้าพเจ้าก็สะดุ้งตกใจอย่างสุดขีดอีกเป็นคำรบสองเพราะปรากฏว่ามีมือสีดำๆผอมเหลือแต่หนังคุ้มกระดูกโผลออกมาจากฝาผนังช้าๆแล้วก็ยื่นไปจับที่ดวงประทีปทำให้ดวงประทีปตับลงทันทีทาให้ภาพในกระท่มมืดลง ก็มีแสงสว่างเลือนลางเข้ามาทางประตูได้บ้างข้าพเจ้าไม่ทราบเลยว่ามือประหลัดนั้นเป็นมือของใครทําไมจึงทะลุฝาผนังออกมาได้ทําไมจึงมาดับไฟถ้าจะว่าข้าพเจ้าตาฝาดไปก็ไม่ใช่เพราะว่าผลก็คือไฟดวงประทีปนั้นได้ดับลงไปจริงๆทั้งๆ ท, ท, ที่เหนยใสอันเป็นเชื้อยังมีอยู่เกือบเต็มถ้าจะว่าไฟดับเพราะลม ก็ไม่ใช่เพราะในกระท่อมลมสงบนิ่งไม่เคลื่อนไหวเลยข้าพเจ้าคิดว้าวุ่นอยู่กับมือลึกลับนั้นเป็นเวลานานแต่ไม่สามารถจะพบคำตอบที่น่าพอใจจึงล้มตัวลงนอนอีกครู่ใหญ่ผ่านไปข้าพเจ้าก็ยังไม่สามารถจะหลับได้งูและมือลึกลับทำให้ข้าพเจ้านอนลืมตาโพลงความคิดร้อยแปดวิ่งพลานมาในดวงใจ ข้าพเจ้าต้องตื่นตกใจอีกเป็นครั้งที่สามเมื่อรู้สึกว่ามีกระแสลมแรงพัดวูบเข้ามาทางประตูวูบหนึ่งแล้วก็หยุดชะงักข้าพเจ้าทราบได้ทันทีว่าลมนี้ไม่ใช่ลมธรรมดาเพราะตั้งแต่ตอนหัวค่ําจนถึงบัดนี้ไม่เคยมีลมพัดเข้ามาในกระท่อมเลยถ้าเป็นลมธรรมดาก็น่าจะพัดเข้ามาหลายครั้งและใบมะม่วงข้างบนก็คงจะส่งเสียงดังสู่ซ่าบ้างแต่นี้ ไม่มีอะไรเลยนอกจากลมวูบเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็ยังคงนอนคิดต่อไปโดยไม่ได้ลุกขึ้นมาสำรวจตรวจตาดูอะไรท่านผู้มีอายุหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนคนหนึ่ง มายืนตะคุ่มอยู่ที่ประตูกระถ่มเนื่องจากอยู่ในความมืดข้าพเจ้าจึงไม่สามารถเห็นหน้าตาเขาได้คงเห็นรูปร่างยืนขวางประตูอยู่อย่างสงบจากไม้เท้าและหม้อทองเหลืองที่อยู่ในมือข้าพเจ้าก็สามารถถ่ายได้ทันทีว่าบุรุษลึกลับนั้นเป็นสัญญาสีบางทีอาจจะเป็นท่านยะมะทคศนีกลับมาสนทนาไต่ถามอะไรบางอย่างอีกก็ได้ข้าพเจ้าจึงลุกขึ้นไปนั่ง และก็ส่งเสียงถามไปว่านั่นใครเลือกสัญญาสีลึกลับนั้นไม่ตอบแต่เดินเข้าประตูมาในกระท่อมเขาเดินไปทางปลายเท้าของข้าพเจ้าอ้อมไปทางด้านขวามือวางหม้อทองเหลืองไว้บนพื้นและวางไม้เท้าพิงไว้กับฝาผนังแล้วก็นั่งลงข้าพเจ้าอาจได้ยินหม้อทองเหลืองกระทบพื้นและเสียงไม้เท้ากระทบฝาผนังได้อย่างชัดเจน ข้าพเจ้าจ้องดูการเคลื่อนไหวของชายลึกลับนั้นทุกระยะข้าพเจ้าส่งเสียงถามอีกหลายครั้งว่าใครมีธุระอะไรแต่คงไม่ได้รับคําตอบตามเคยท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าเกิดความเข้าใจเป็นครั้งแรกว่าบุรุษลึกลับนั้นก็ดีมือลึกลับนั้นก็ดีงูใหญ่ประหลาดนั้นก็ดีเป็นการกระทําของปีศาจก็ต่อเมื่อบุรุษลึกลับ ที่นั่งอยู่ข้างๆฝ า, า, าผนังนั้นหายตัวไปต่อหน้าต่อตาข้าพเจ้าพร้อมด้วยไม้เท้าและหม้อทองเหลืองเขาไม่ได้เดินไปไหนไม่ได้เดินออกทางประตูเพราะข้าพเจ้านั่งจ้องดูเขาอยู่ตลอดเวลาเขาไม่ได้แอบอยู่ในมุมใดของห้องเพราะกระท่อมนั้นมีห้องเดียวแคบๆ แ, และไม่มีอะไรอยู่ข้างในนอกจากฝางแห้งวางเรียราดอยู่บนพื้นแม้จะมืด ก็ยังมีแสงสว่างสลัวๆที่ข้าพเจ้าพอจะมองเห็นภายในห้องได้อย่างชัดเจนแต่ไม่มีบุรุษลึกลับนั้นข้าพเจ้าจึงเข้าใจเอาทันทีว่าเขาเป็นอะไรอื่นไปไม่ได้นอกจากปีศาจพอรู้ว่าเป็นผีปีศาจข้าพเจ้าก็เกิดความหวาดกลัวจนขนลุกสู้ไปทั้งตัวความคิดที่จะวิ่งหนีจากกระท่องผีสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นอีกแต่แล้วข้าพเจ้าก็พยายามระงับจิตใจ ให้เป็นปกติอีกครั้งหนึ่งแต่กว่าจะระงับได้ก็รู้สึกว่าตัวชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อการแห่งความหวาดกลัวทีเดียวเพราะจิตใจเป็นปกติข้าพเจ้าก็ล้มตัวลงนอนอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วก็ต้องลุกขึ้นมานั่งอีกเพราะหูได้ยินเสียงไม้เท้ากระทบพื้นดังกุกกุกเป็นจังหวะไปรอบๆห้องคล้ายกับคนถือไม้เท้าเดินไปรอบๆห้องนอกจากเสียงไม้เท้าแล้ว ก็ยังมีเสียงกระทบพื้นเป็นจังหวะและเสียงสวบสาบของผ้าเกิดจากการก้าวเดินด้วยข้าพเจ้านั่งฟังเสียงนั้นด้วยความตั้งใจมันดังอย่างชัดเจนจนยากที่จะคิดไปได้ว่าเป็นเสียงที่หลอกหลอนเกิดด้วยอำนาจอุปาทานข้าพเจ้าพยายามเพ่งตาดูรอบๆห้องตามจังหวะเสียงนั้นแต่ก็ไม่ได้พบสิ่งใดเลยนอกจากความว่างเปล่า ท่านผู้มีอายุเสียงประหลาดนั้นดังอยู่ครู่ใหญ่แล้วก็หายไปความเงียบกลับคืนมาตามเดิมขณะนั้นข้าพระเจ้าคาดว่าเวลาจะล่วงเข้าสู่ปัจจิมยามแล้วเพราะได้ยินเสียงไก่ขันดังแว่วมาจากหมู่บ้านซึ่งอยู่ไกลออกไปแม่จะแสนเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียแต่ก็ไม่รู้สึกม่วงประการใดทั้งที่อาจจะเป็นเพราะความตื่นเต้นต่อเหตุการณ์ประหลาดนี้ก็เป็นได้ เวลาผ่านไปอีกนานทีเดียวแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเชื่อว่าจะไม่มีอะไรแล้วข้าพเจ้าจึงรมตัวลงนอนแต่พอจะเคลิมคล้มหลับก็ปรากฏว่ามีบุรุษร่างผอมเกลงอายุประมาณห0สิปีศีสะล้นหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวคนหนึ่งกระโดดคร่องตัวของขับเจ้านั่งทับ อ, อกไว้แล้วเอามือทั้งสองบีบคอข้าพเจ้าไว้นั่น ข้าพเจ้าตกใจกลัวสุดขีดพยายามดิ้นรนเพื่อให้เป็นอิสระและพยายามส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ร้องไม่ออกเพราะถูกบีบคอไว้อย่างแรงและดิ้นเท่าไหร่ก็ไม่หลุดรู้สึกว่าสัญญาสีประหลาชนั้นมีกำลังอย่างมหาศาลทั้งๆ ท, งที่ร่างกายผายพร้อมเลือตแตนงังหุ้ ม, มกระดู ท่านผู้มีอายุอันคนเหล่านั้นถ้ายังอยู่เป็นสุขสบายดีก็ไม่ค่อยจะมองเห็นความสําคัญของที่พึ่งทางจิตใจต่อเมื่อตกอยู่ในภาวะค้ำขันชีวิตแขวนอยู่ระหว่างความเป็นกับความตายนั่นแหละจึงจะหวนคิดถึงสารณะที่พึ่งข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกันนั่นแหละในขณะที่กาลังถูกปีศาจกระทาเอา จนหายใจไม่ออกอยู่ขณะ น, นี้ข้าพเจ้าก็น้อมจิตระลึกถึงพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธองค์ผู้เป็นบรมครูสวดพระพุทธคุณอันเริ่มต้นด้วยคำว่าอิติปิโสภควาเป็นต้นอยู่ในใจพอข้าพเจ้าสวดจบเท่านั้นเองก็ปรากฏว่าเกิดแสงสว่างว่าขึ้นทั่วกระท่อมพร้อมๆกันนั้นร่างปีศาจ ที่นั่งทับอยู่บนอกของข้าพเจ้าก็หายไปข้าพเจ้ากลับหายใจได้และก็เบาตัวตามเคยเมื่อรู้ว่าตนเป็นอิสระก็ลุกขึ้นนั่งและคิดหาทางว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีในที่สุดข้าพเจ้าก็สันนิษฐานเอาเองว่าบางทีอาจจะเป็นอุปทานของข้าพเจ้าเองก็ได้เพราะความกลัวทําให้เกิดภาพนิมิตไปต่างๆนานาเหมือนจริงเหมือนจัง แท้จริงผีปีศาจไม่มีในโลกแต่คนกลัวเพราะความไม่รู้จึงถูกผีหลอกๆที่จิตปั้นขึ้นหลอกเอาความบังเอิญบางอย่างเข้ามาประจวบเหมาะก็เลยเข้าใจว่าเป็นผีเป็นปีศาจไปได้ต่างๆนานาหรืออาจจะมีอารูปที่เป็นพลังงานอื่นๆบ้างข้าพเจ้าก็ไม่อาจจะทราบได้ก็ขอสันนิษฐานว่าเป็นอุปทานจิตของตัวเองก่อนก็แล้วกันถ้าเป็นเพราะ เหตุปัจจัยอื่นหรือเป็นเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางมาทำให้เกิดขึ้นหากมีอะไรผิดพลาดข้าพเจ้าก็ต้องขออภัยด้วยก็แล้วกันเมื่อคิดสมิธฐานได้ดังนี้แล้ว ข้าพเจ้าก็สํารวมใจให้สงบแล้วก็กล่าวขึ้นด้วยเสียงดังพอสมควรว่าข้าพเจ้ามาพักในกระท่อมนี้ก็ด้วยเจตนาดีไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อใครไม่ได้ตั้งใจที่จะมายึดเอา ก, กระท่อมหลังนี้เป็นสม บ, บัติของตนขอพักเพียงคืนนี้คืนเดียวแล้วก็จะจากไปข้าพเจ้าไม่รู้ว่าสถานที่นี้มีเจ้าของจึงอาศัยโดยไม่ได้ขออนุญาตบัดนี้ข้าพเจ้าทราบแล้ว จึงขออนุญาตพักสักหนึ่งราตรีข้าพเจ้าจะไม่ก่อความเสียหายใดๆให้เกิดขึ้นแก่กระท่อมของท่านเลยกล่าวจบแล้วข้าพเจ้าก็ล้มตัวลงนอนท่านผู้มีอายุการกระทาของข้าพเจ้าได้ผลเป็นอย่างดีเพราะหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยข้าพเจ้าจึงนอนหลับสบายโดยไม่มีอะไรมารบกวนจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้น ข้าพเจ้าตื่นขึ้นนั้นบรรดาสัญญาสีทั้งหลายเสร็จจากกา ร, รสมนานในแม่น้ําแล้วก็อเอาขี้เท่าทาตัวเสร็จแล้วกําลังเตรียมจะเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อพิกขาจาร์ข้าพเจ้าล้างหน้าล้างตาแล้วก็เตรียมจะเข้าไปบินทบาทเหมือนกันแต่ตั้งใจว่าบินทบาทแล้วจะออกเดินทางจากลิกต่อไปโดยไม่กลับคืนสู่อาสมของสัญญาสีอีก จึงไปที่กุฏิของสัญญาสีเยมักทัพคณีเพื่อกล่าวคำอมลาเออเป็นไงท่านนอนหลับสบายดีตลอดคืนเลยหรือนับรสฉลาถามเมื่อข้าพเจ้าตอบว่าสบายดีท่านจ้องมองดูข้าพเจ้าเป็นเชิงสงสัยอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็กล่าวว่าอ๋อข้าพเจ้าลืมบอกท่านไปว่ากระท่อมนั้นนะ่ะเป็นที่อยู่ของสัญญาสีสิวเสตฐะ ซึ่งพึงจะถึงแก่กรรมไปเมื่อประมาณหนึ่งปีมานี้เองท่ามปรกติไม่มีใครสามารถอยู่ในกระท่อมนั้นได้เพราะจะถูกปีศาจหลอกหลอนเอาต่างๆนาน า, นาท่านสามารถอยู่ได้ตลอดคืนก็นับว่าเก่งมากทีเดียวข้าพเจ้ามีได้เล่าเรื่องรลวที่เกิดขึ้นให้ยะมะทักคณีฟังแต่อย่างไรเพียงแต่กล่าวคำอัมราาตามธรรมเนียมยะมะทัคณีกล่าวก่อนที่ข้าพเจ้าจะจากไปว่า เมื่อคืนนี้ข้าพเจ้าได้ไตร่ตรองลัทธิของท่านอยู่คนเดียวและรู้สึกซาบซึ้งในหลักธรรมคําสอนของสมณะโคดมเป็นอย่างมากถ้าข้าพเจ้ายังหนุ่มแน่นไว้ไม่แกช่ชรายังไม่ได้เป็นประมุขของสัญญาสีทั้งหลายอย่างบัดนี้แ ล, แล้วก็ข้าพเจ้าอาจจะไปฝากตนเป็นสาวกของพระสมณะโคดมพระองค์นั้นแต่บัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสายไปเสียแล้ว ขอให้ท่านเดินทางให้ไปเป็นสุขเป็นสุขเถิดข้าพเจ้าก็จะขออยู่ตามทางของข้าพเจ้าต่อไปจนกว่าจะสิ้นลมปราณ ผู้มีอายุเป็นเวลาหลายวันแล้วตั้งแต่ข้าพเจ้าได้จากพระเวรุวันารา ม, มายังไม่ได้ส่งข่าวคราวให้เทวมิตรอุบาสกทราบเลยทั้งนี้ก็เพราะข้าพเจ้ายังไม่ได้ที่อยู่เป็นหลักแหล่งนั่นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าเองก็ยังไม่อยากที่จะอยู่เป็นหลักแหล่งก่อนอยากจะท่องเที่ยวไปชั่วระยะเวลาหนึง่งเมื่อพบที่อันเหมาะสมแล้วจึงจะตั้งหลัก ลงแล้วก็ส่งคนให้ไปแจ้งกับเทววิตะอุบาสกทราบตามสัญญาวันหนึ่งข้าพเจ้าได้มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเรียกชื่อว่าหมู่บ้านปินนตุลคามเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีประชาชนอยู่หนาแน่นตั้งอยู่ทางทิศตวันตกนครราชครืประมาณหนึ่งโยชน์ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ยังไม่รู้จักพุทธศาสนาแต่นับถือพระอินทร์เป็นสารณะ ทางด้านตะวันออกของหมู่บ้านมีเทวไลแห่งหนึ่งสร้างอุทิศแก่พระอินทร์และรอบๆเทวไลนั้นก็เป็นป่าต้นทองกวาลกำลังออกดอกสะพรั่งเต็มต้นข้าพเจ้าพิจารณาเห็นว่าเป็นที่น่ารื่นรมเหมาะแก่การบําเพ็ญเพียรอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากหมู่บ้านอันเป็นโครจรคามเกินไปข้าพเจ้าได้ยึดเอาร่มทองกวาลใหญ่ใกล้ๆ ก, กับเทวไลนั้นเองเป็นที่พัก ทุกเช้าเย็นจะมีชาวบ้านนำเครื่องสักการะต่างๆมาบูชาเทพเจ้าในเทวลัยเป็นหมู่ใหญ่มีพราหมณ์แก่ผู้สนใจในทางธรรมบางคนมาสนทนากับข้าพเจ้าเป็นครั้งคราวข้าพเจ้าได้แนะนำสั่งสอนให้เขาเกิดสมาธิทิความเห็นที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมชักนำให้เกิดอุสาหะในทานศีลภาวนาจนกระทั่ง มีผู้เริ่มใสถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหลายคน